วัตถุที่เรียกว่าวัตถุของคนอื่นนะเราเราน้อมะนี่คือศีลของเรานงะวัตถุของเขาอ่ะคือศีลของเราเพราะเราไม่คิดจะเอาของของเขาอ่ะอน่นะถ้าเป็นผู้ที่รักษาศีลห้านะคู่ครองของคนอื่นทั้งหมดอ่ะคือศีลของเราถ้าเป็นนักบวชนะการประพฤติพรหมจรรย์นี่คือ คือศีลของเราการพูดคําสัตว์คําจริงเนี่ยคือศีลของเราเราหากับทุกขนทุกแห่งทุกที่ไปที่ไหนกไหนน็ไปหาศีลเนี่ยไปหาไตรสิกขาางเงี้ยไปหาศีลก่อนกับทุกอารมณ์นะเห็นน้ำเมาเนะี่ยนั่นแหละคือพบศีลของเราแล้วศีลอยู่ตรงนั้นแหละจะร่วงหรือจะขาดหรือจะไม่ขาดก็อยู่ตรงนั้นนะทีนี้ถ้าสมถะล่ะสี่สิบเนี่ยเราศึกษาท่องไว้เลยสี่สิบข้อเลยนะแล้วหาได้กับอารมณ์ไหนบ้าง วิปัสนาภูมิเนี่ยเรียนเอาไว้จนเต็มที่แล้วหาพบไหม น, นะถ้าเนี่แหละเขาเรียกว่าไปเจริญได้ถ้าหาสาระเหล่านี้ได้ก็นั่นแหละจึงจะออกจากวัฏตักได้แต่ถ้าหาไตรสิกขาไม่พบนะยังไงก็ออกไม่ได้เพราะยังไม่รู้ว่าออกจากอะไรแล้วออกได้อย่างไงออกด้วยวิธีใดถ้าตอบไม่ได้ยังไงก็ออกไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวอริยมรรคเนี่ย เป็นธรรมที่ออกจากวัตฏะโดยประการทั้งปวงนีนะถ้าหาหาทางเหล่านี้ออกได้นะจริงๆการศึกษาพระธรรมเนี่ยจะไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยนะถ้าถ้าจับหลักอันนี้เอาไว้เสมอว่าเรานี้เป็นผู้ที่สแสวงหาศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระเนี่ยนะศีลสาระถ้าาแบบกว้างขวางก็คือพระวินัยปิฎกสมาธิสาระก็อยู่ที่พระสูตรปัญญาสาระก็อยู่ที่พระพิธรรมถ้าถ้ามองแบบกว้างๆถ้าลงแบบลึกๆทุกสูตรมี ศีลสมาธิปัญญาหมดนั้นค้นหาสาระจากสิ่งเหล่านี้ให้พบปะให้เจอให้เจอหาให้ได้ก็แล้วกันทุกๆอารมณ์เลยนะทุกๆขนทุกแห่งที่เราเกี่ยวข้องทุกๆขนทุกแห่งทุกที่ที่เราเกี่ยวข้องก็หาให้พบเพราะฉะนั้นถ้าหาพบอย่างนี้แล้วเราจึงจะเจริญสิ่งที่ควรเจริญได้เราจึงจะเจริญถูกถ้าหาพบนะแล้วในที่สุดถ้าเจริญตามนี้ถูกอสังคตาธาจะพบเอง เนี่ยนะพระนิพานก็จะเจอเพราะพระนิพานนั้นถ้าถ้าเราสแสวงหาทางไม่เจอเนยะพระนิพานของเราคือสิ่งที่ค่อนข้างถ้าจะเรียกว่าหลักรอยก็ลอยไม่รู้คืออะไรเนี่ยนะไม่รู้คืออะไรอย่าง <c oughs> บทที่ไปเจริญอยู่ตอนนี้เลยคือบทว่าจักขุจักขู่ขสมุทยัยจักขู่นิโรจักขู่นิโรท า, ามินีปฏิปทานเนี่ยนะ นึกให้ดีๆนีจักขูจักขูสมุทัยจักขูนิโรตจักขูนิโรทัคามินีปฏิปทานเนี่ยนะถ้าซอยไม่เองนะจักขูเนี่ยกิจของเขาคือปริญญาใช่ไหมจัคคูสมุทัยคือการละจัคคูนิโรตทําให้แจ้งจักคูนิโรทัคามินีปฏิปทานนั้นคือมักมันเราแสวงหาศีลสมาธิปัญญาจากจัคคูได้หรือยัง นะถ้าสแสวงหาศีลสมาธิปัญญาจากจักขุได้ น, ะนั่นน่แออาาแะแทงตลอดอสังขตะธาตุได้เกิดว่าแทงตลอดพระนิพพานได้ในทุกแห่งทุกแห่งนะไม่ใช่กับสิ่งเดียวนะฮะอย่างเนี้ไปเรื่อยๆสแสวงหาคนที่หาอย่างนี้เนี่ยนะเขามีตําแหน่งอีกชื่อหนึ่งเรียกว่ามหสีเกิดว่าผู้สแสวงหาคุณผู้สแสวงหาคุณถ้าแบบถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเลยก็สแสวงหาคุณที่ใหญ่มาก พอรู้แล้วเอาไปแนะนําคนอื่นต่อไปนะอันนี้เรียกว่าเป็นการสแสวงหาคุณธรรมจริงๆมั้นก็ต้องค้นหาให้พบในในทุกขนทุกแห่งคือถ้าเราจับตรงนี้ได้นะพอมาเข้าใจเลยว่าสิ่งที่ต้องการจะพูดไปเนี่ยทั้งหมดที่เรียนเรีย น, ยนทุกวิชาทั้งหมดนะเพื่อให้ไปหาอันเนี้ยให้ได้ถ้าหาได้ก็ก็ถือว่าจบหลักสูตรที่เรียนแล้วนะถ้าเราเรียนธรรมะพระไตรปิกทั้งหมดเลยนะวัตถุประสงค์มีไม่เกินนี้หรอก จะไปใช้ถ้อยคำโวหารหลากหลายขนาดไหนก็ตามเพื่อสแสวงหาบทเดียวคือบทอันไม่ตายด้วยการเจริญไตรสิกขาพันบทอันไม่ตายนั้นก็อยู่ที่การเจริญไตรสิกขาเบื้องต้นหาไตรสิกขาให้พบนนะแต่ไตรสิกขาก็เป็นไปโดยลำดับอยู่แล้วนะสีลสิกขาจิตตสิกขาและก็ปัญญาสิกขาพันที่ย้าบ่อยๆก็คือเนี่ยหากรรมบทสิเจอหรื อ, อยัง ไปหากุศลกรรมรบทสิบกับทุกขนทุกแห่งทุกอารมณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องให้ได้ที่สองก็หาสามถะแล้วก็หาวิปัสนาเนี่ยหากระสิ่งนั้นนะไม่ให้ไปหาที่คัมภีร์เพราะการเรียนคัมภีร์จุดประสงค์ก็เพื่อที่จะไปหาในในชีวิตนี่นะไปหาในในที่ที่เราเกี่ยวข้องทุกๆอารมณ์เนี่ยหาให้พบตรายสิขาถ้าหาได้อย่างไ้ก็อนุโมทนาด้วยถ้าหาไม่ได้ ตั้งอัตตาสั ม, มาปณิที่ไว้เลยว่าจะต้องจะต้องหาให้ได้จะต้องหาให้พบศึกษาธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะทุกๆวิชาที่เราเรียนไปจะไม่เป็นหมันเลยจะได้เอามาใช้ทั้งหมดเลยแหละเพราะฉะนั้นทุกศาสตร์เนี่ยถ้าจะนับอย่างหนึ่งคือไปแบบไม่หยุดไม่หยดไปเรื่อยอะสมุทัยศาสตร์คือเหตุให้ไปถ้านับอย่างหนึ่งเลยนะส่วนนิโรศาสตร์นี้เป็นอสังขตะธาตตรงนั้นไม่ใช่อสังขะนะอสังขตะเพิ่มต่อเต่าอีกตัวหนึ่ง ตกต่อเต่าไปตัวนิโรศสัตว์นี้เป็นอสังขตาธาตุเพราะฉะนั้นถ้าเร า, เาหาคนคว้าวิจัยทุกขสัตว์เหตุแห่งทุกขสัตว์สิ่งที่มันตรงกันข้ามทั้งหมดการเพิกอ น, นั่นแหละเป็นนิโรศสัตว์เป็นอสังขตาธาตุด้วยอริยมรดุด้วยการเจริญนะภาวนานี่เป็นการเจริญอันนี้พอสรุปได้นะอริยสัตว์แต่ละอย่างนับหนึ่งก็ได้ทุกขสัตว์นับหนึ่งก็ได้ว่าไปไม่เลิกไม่รา สมุทัยนับหนึ่งคือเหตุให้ไปไม่หยุดเนี่ยนะตัวกระตุ้นเนี่ยนะตัวตัวโดปะ่ะตัวที่มันกระตุ้นให้ไม่เลิกไเวรานเนี่ยนะให้หยุดไม่ได้นิโรศสัตว์เลิกไปนั่นนะอะสังกระตะธาตว่างเปล่าเลยนะแต่คําว่าว่างเปล่านี้ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นไม่ดีนะอะสังกระตะธาตุเนี่ย ธรรมะที่สำโรกตันหาเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรเป็นที่ส่างแห่งความเมาเป็นที่สงบระงับดับทุกขั้งปวงเนี่ยนะส่วนธรรมที่ควรจเจริญเนี่ยนะเจริญยังไงจึงจะพบอสังขตาาธาตุเหล่านั้นทีนี้ต่อไปมาแบ่งธรรมะเป็นสองอย่างธรรมะสองอย่างเลยเนะอริยสัตว์เนี่ยทุกสัตว์แบ่งเป็นสองก็ได้สมุทัยสัตว์แบ่งเป็นสองก็ได้นิโรสัตว์แบ่งเป็นสองก็ได้ม ร, รรคสัต์แบ่งเป็นสองก็ได้ ทุกขศตเนี่ยถ้าแบ่งเป็นสองก็คือเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรมเนี่ยนะถ้าชัดเจนเลยนะหยาบหยาบเลยอ่ะอสัญญาสัตว์มีแต่รูปธรรมก็เหมือนกับรูปปั้นทั้งหลายเนี่ยนะมีแต่รูปธรรมใช่ไหมรูปปั้นทั้งหลายมีแต่รูปธรรมเหมอนกันนะนั้นอสัญญสัตตาพรมก็เหมือนกับเนี่ยรูปปั้นทั้งหลายหุ่นขี้ผึ้งนะเนี่ยส่วนนิโ ร, รสัจจะเออขอาไปนามธรรมทั้งหลายต้องดูที่อรูปประพรมอรูปประพรมนั้นมีแต่ นามมาทำอย่างเดียวส่วนในภพที่มีขันหานี่มีทั้งนามและรูปเนี่ยนะมีทั้งนามและรูปเพราะฉะนั้นนามรูปอันนี้แหละทุกษะนี่แบ่งเป็น2ก็คือนามกับรูปส่วนสมุทยศาสตร์แบ่งเป็นสองก็ได้คือทิฏฐิคตะสัมประยุทธ์กับทิฏฐิคตะวิประยุทธ์ ตันหาที่เกิดร่วมกับมิจฉาทิฐิกับตันหาที่ไม่เกิดร่วมกับมิจฉาทิฐิไอขณะที่ไม่มีวิจฉาทิฐิขนาดนั้นมีอะไรด้วยบางทีมีมานะมั่งไม่บ้างนะบ่อยเลยแหละนนก็แบ่งเป็นทิฏฐิขตสัมปยุศกับวิปยุศคือบางครั้งประกอบด้วยความเห็นผิดบางครั้งก็ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดแต่ก็เย่อหยิ่งเนี่ยไง ส่วนนิโรสัจจะนั้นแบ่งออกเป็นสองคือสอัพปาทิเศสกับอนุปาทิเศสอันนี้หมายถึงเน้นไปที่ะสะัพปาทิเศสเนี่ยหมายถึงพระอริยะขันห้าของพระอริยะนี่เรียกว่าสัพปาทิเศสหมายกับว่าบรรลุพระนิพพานแล้วอ่ะยังเหลือผลแห่งอุปาทิเนี่ยนะเป็นชื่อของขันห้าเป็นพระอริยะที่ยังเหลือขันห้าอยู่ ส่วนอนุปาทิเสสะไม่มีขันห้าเลย้าตหันที่ดับขันห้าได้เรียบร้อยแล้วอันนั้นเป็นสอปาทิเสสะในอัตกรถามิลินทปัญหาเนี่ยกล่าวว่าเอาทุกขัต์นะเป็นเครื่องเปรียบเปรียบในความเป็นสอปาทิเสสะกับอนุปาทิเสสะเนี่ยนะอันนี้ก็แบ่งตามคุณลักษณะของผู้ตรัสรู้นิพพานนั้นผู้ตรัสรู้พระนิพพาน ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าสอุปาทิเศษะอย่างเช่นพระพระผู้มีพระภาคนะหลังจากตรัสรู้นะท่านนี้เป็นบุคคลประเภทสอุปาทิเศษะบุคคลเนี่ยนะพราะท่านแทงตลอดพระนิพพานแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่หลังจากดับขันปรินิพพานไปแล้วเรียกว่าอนุปาทิเศษะเนี่ยนะคือถ้าแบ่งนะมันจะแบ่งได้สามคอย่างนี้ ส, สอุปัฏิเสสะนิพานกับอนุปัฏิเสสะเนี่ยนะและมีคำหนึ่งอนุปาฏาปรินิพานเนี่ยนะสอุปัฏิเสสะนิพาน อนุปาที่เสสานิพานอีกก็นิพานเหมือนกันอนุปาทาปรินิพานตัวสองประการเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในทุกขสัตว์ตัวเนียที่เป็นตัวอันนี้คืออสังคตธาตุตัวอนุปาทาปรินิพานนี่เป็น อสังคตาธาตุอนุปาทาปริณิาพานนี่แหละที่ที่เป็นนิโรธสัจจะแต่สอพปาทิเศกับอนุปาทิเศษะเนี่ยเป็นการเปรียบในทุกขสัจอันนี้เช่นพระพุทธเจ้าตอนที่ตรัสรูป น, นะแทงตลอดอริยสัจแล้วมีพระชนอยู่ตอนนั้นเรียกว่า ส, สอพปาทิเศษะ ตอนดับขันหลังจากดับขันปรินิพานไปแล้วเรียกว่าอนุปาทิเสสะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นนิพานที่เปรียบกับทุกขสัตว์นะตามปริยายของทุกขสัตว์ไม่ใช่ตัวอารมมณ์ปัจจัยของอริยมรรตตัวที่เป็นอารมณ์ปัจจัยของอริยมรรตเรียกว่าอนุปาถาปรินิพานนั่นนะตัวนี้แหละที่ที่เป็นอารมณ์ของอริยมรรต์อริยตัวที่อริยมรรตแทงตลอดนันะ คืออนุปาที่เสสานิพานเ อ, อ่อขออนุปาทาปรินิพานน่นะพอพอแบง่งออกนะตัวีกครั้งว่าสัปปาที่เสสะเช่นพระพุทธเจ้าตอนมีพระชนอยู่เนี่ยเป็นประผู้ที่ตรัสรู้อนุปาที่ออสอุปาที่เสสานิพานหลังจากดับขันปรินิพานไปแล้วเป็น เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานแต่อุปาทาปรินิพานเนี่ยคือตัวนิพานคือสภาวะของนิพานเืออันนี้นี่หมายคือว่าอย่างสอุปาทิเสสะคืออุปาทิเนี่ยนะเป็นชื่อของขันห้าสอุปาก็คือยังมีขันห้า เพราะฉะนั้นบุคคลนี้มีขันห้าผู้มีขันห้าเ น, นี่ยแทงตลอดมรรคผลใช่ไหยแทงตลอดมรรคผลแล้วมรรคผลที่เขาบรรลุอันเนี้ยคืออะไรคืออะไรคืออนุปบาทาปรินิพพานก็เป็นผู้ที่บรร ล, ลุนิพพานแต่ยังเหลือขันห้าก็ตอนเช่นถ้าอริยะยังมีชีวิตอยู่นะ ท่านเห็นนิพพานแล้วล่ะแต่ท่านยังเหลือขันเพราะขันอันนี้ผล ข, ของตันหาชาตินี้มันเป็นผลของในอดีตน น, นี่นะส่วนอนุ ป, ปาทิเสสะอันนี้หมายคำว่าหลังจากที่ไม่เหลือขันห้าแล้วที่ท่านดับขันห้าได้โดยประการทั้งปวงเนี่ยเพราะอะไรเพราะแทงตลอดอันนี้อนุปาทาปรินิพพาน อนุปาธาปรินิพานเนี่ยคือนิโรสัจจะอารมณ์ของพระอริยะทั้งหมดเลยนะแต่บางในเนี่ยอย่างพระอริยบุคคลทั่วๆไปเนี่ยน่าจะใช้อันนี้ได้สัพปาทิเสสะได้ท่านเหล่านั้นเห็นพระนิพานใช่ไหมคือตัวปริเนี่ยแปลว่ารอบใช่ไหมแปลว่ารอบนิพานก็แปลว่า ดับนันอันนี้พานอันนี้หมายถึงอะไรมันก็แล้วแต่ว่าเน้นไปที่ตัวนิโรศจักรหรือเปล่าถ้าเป็นถ้อยคำในพระสูตรเนี่ยเป็นเป็นเราต้องไปศึกษาอัดอีกครั้งว่าคำนั้นอ่ะพระองค์ตรัสหมายถึงอะไรบางทีตรัสหมายถึงบุคคลผู้ที่ยังเรือือมีอุปาทานขันเพราะฉะนั้นในอัตถกถามิลินทปัญหาเนี่ยจึงกล่าวถึงเนี่ย สอุปาทิเศษะกับอนุปาทิเศษะโดยปริยายการเปรียบเทียบกับทุกขสัจยังเหลือทุกขสัจหรือหมดทุกขสัจแล้วแต่ตัวอนุปาทานปริณิพานอันเนี้ยเป็นอารมณปัจจัยของมรรคสัจหรืออันเนี้ยที่จะเป็นตัวนิโรสัจจะเพราะฉะนั้นไอาการแบ่งเป็นสองอย่างนี่แบ่งโดยปริยายแบ่งโดยปริยายคือเป็นการแบ่งตามเหตุนั้นๆอ่ะนะ แต่สอุปาทิ่เสสะอนุปาทิ่เสสะไม่ใช่สภาวะของนิพพานตัวสภาวะของนิพพานที่เป็นนิโรธสัจจะคืออสังคตาธาต์เห็นไหมแล้วก็พอแบ่งได้นะตกลงใครไม่เข้าใจบ้างยกมือขึ้นเพราะฉะนั้นถือว่าเข้าใจนะผ่านสอบผ่านหมดแล้วใช่กับพ่อาหารตัวไปนะครับไม่ได้หมายความว่าจะพอบุญทุนเจ้า ก็ยกผู้ที่สำคัญที่สุดเป็นตัวอย่างก็พอแล้วมัคษษัตย์นี่แบ่งเป็นสองก็ได้คือสมถะกับวิปัสนาอนะทุกมัคเลยนะทุกมัคโสดาปฏิมัค ก, ก็คือสมถาวิปัสนาที่กำลังทำกิจคู่กัน สกทาคามีมักอนาคามีมักอรหัตตมักก็คือขณะที่สมถาวิปัสนานี้ทํากิจคู่กันสมถะองหกนะสัมมาวาจาสัมมากรรมตัสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยหองนี่เรียกสมถะส่วนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเรียกว่ามีปัจจณาเพราะฉะนั้นมักทุกมักตั้งแต่โสดาปฏิมักจนถึงอรหัตตมักเนี่ยคือสมถาวิปัสนาที่ควบคู่กัน นนส่วนส่วนมร์เหล่านั้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มอีกก็ได้โซดาปฏิมร์เรียกทัศนมร์สกะตาคามีมร์อนาคามีมร์อรหัตมร์เรียกภาวนามร์เนี่ยนะถ้าถ้าแบ่งยังไง้นี สมถะกับวิปัสนาเนี่ยสมถามีองค์เท่าไหร่หกวิปัสนามีสองสมถาวิปัสนาแบบโสดาปฏิมัติสมถาวิปัสนาแบบสกะทาคามิมัติสมถะวิปัสนาแบบอนาคามิมัติสมถาวิปัสนาแบบอรหัตมัติสมถาวิปัสนาที่เป็นโสดาปฏิมัติเรียกว่าทัศนมมัต ตอนนี้เป็นเพิ่งเพิ่งเห็นอริยสัจใช่ไหมเป็นมรรคที่เห็นอริยสัจเป็นครั้งแรกส่วนภาวนามรรคเนี่ยคือสกทาคามีอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคเนี่ยนะอันนี้เป็นภาวนามรรคเพราะว่าเจริญขึ้นทําให้มากขึ้นเป็นการทาํามรรคอันนั้นแหละให้มากขึ้นมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยนะ ถ้าเป็นปริมาณนะก็เหมือนกับว่ายามเม็ดเนี่ยกินถูกโรคแล้วกินาหายไปแล้วสมมติถ้าร้อเปอร์นะหายไปแล้วยีซที่เหลือกินซ้ำใช่ไหมภาวนา ม, มักก็คือมักประเภทซ้ำอะ่ะกินซ้าอะ่ะแต่ว่ากําจัดโรคได้มากขึ้นอะไรมากขึ้นเนี่ยนะถ้าเป็นแบบชนิดยาชนิด4ี่แคปซูลหรือกินแบบ4เม็ดเนีเม็ดที่หนึ่งกินถูกต้อง ที่เหลือเนี่ยภาวนาก็คือซ้ำแปลว่าซ้ำก็ได้เพราะฉะนั้นก็คือกินซ้ำๆะนะเจริญซ้ำๆนั่นแหละให้มันได้สี่ชุดครบสี่จะ ก, กำจัดกิเลสเป็นสมุิเฉตได้แล้วทำไมในในมัชที่วัศนัตโถททำไมจึงกล่าวไว้เฉพาะพระโสดาบันนะครับคำวัศนนเนี่ยโดยสั์แปลว่าเห็นอ่ ความหมายคนละอย่างกันพวกกันนี่ก็ช่างคิดดีพวกกันนะมันอยู่ในหนังสือเล่มใหม่ครับ น, บบวนะวาเอาคุณไม่ได้อ่านแล้วเนี่ยยังไม่ได้อ่านก็อยู่ในเล่มนี้แหละ ที่หกับอีกที่หนึ่งก็อยู่ที่เขาสวดงานศพอะเล่มที่เขาสวดงานศพอะนะทัศเนนะปหาตภาธรรมภ า, าวนายาปหาตภาธรร ม, มน่ะเนวทัศเนานะภาวนายาปหาตภาธรร ม, มเขาอยู่ในงานศพก็ได้อยู่ในเล่มนั้นอนะตูข้างหลังก็ได้มรทุกมร์เนี่ยนะถ้ากล่าวตามตามนี้นะีโสดาปฏิมร์คือทัศนมร์ ทศนามักเพราะเป็นมักแรกที่เห็นพระนิพพานส่วนมักที่เหลือเนี่ยเป็นเรียกว่ามักอะไรกลุ่มซ้ำๆเนี่ยอันนี้เรียกว่าภาวนามักเพราะว่าไม่โดยสภาวะแล้วเนี่ยนะในความเป็นองแปดในรับอารมณ์เป็นต้นเนี่ยไม่มีความต่างกันนะถ้าเป็นวงการแพทย์ก็อย่างที่เปรียบว่ายาสี่เม็ดอ่ะกินให้ได้สี่เม็ดแล้วหายเนี่ยนะ ที่นี้มรตัวนี้เนี่ยทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยถ้ากล่าวตามอัฏถะของอริยสัจอริยสัจมีสีประการใช่ไหมอันนี้มรคสัจนิโรสสัจนี่<ด>สมุทัยสัจนี่นและอะไร<ด>ทุกขสัจ<ด>อันนี้ถ้าจะกล่าวโดยอัฏถะนะทุขสัจมีอัฏฐะอะไร ป, ปีละนะ เบียดเบียนสันตาปะนะร้อนรนกรวนกวายอะไรสังคตะถูกปัจจัยปรุงแต่งและวิปริณามะเป็นของแปรปรวนเนี่ยนยส่วนสมุทยัยศสัสตร์ก็คืออายุหณะอายุหณะก็คือแต่ง สนำมาซึ่งทุกขนะ์นะนิทานคือเป็นเหตุให้แห่งทุกข์แล้วปริโพศปริพศกับสังโยคะเนี่ยนะก็คือสังโยตสังโยคะกลุ่มเดียวกันอันนี้ก็คืออัถฐของสมุทัยอัถฐของนิโรธก็คือนิสรณน ะ, ะวิเวกามะตต อสังคตะอันนี้เป็นอัฏฐะความหมายของนิโรสัจส่วนมรรคสัจเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยจะรับหนึ่งคือนิยานิกะคือนําออกจากทุกสองเหตุเห ต, เหตุพ้นทุก์แล้วก็ทัศนะเป็นธรรมชาติที่เห็นนิพพานเป็นตัวเห็นนิพพานแล้วกอ็อะไรก็คือ ทปัตยะอธิบดีเนี่ยนะเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นทัศนะตัวนี้เนี่ยมรทุกมรถ้าจะกล่าวตามลักษณะของสัจจะสี่นั้นคือธรรมชาติที่เห็นนิพพานโดยโดยสภาวะของเขาเนี่ยทำกิจเห็นนิพพานใช่ไหมเพราะฉะนั้นมรทุกมรจะเรียกว่าทัศนะก็ได้เพราะเห็นนิพพานเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าแบ่งตามปริยายทั้งสี่มรมรที่มรครั้งแรกเรียกว่าเห็นครั้งแรกมรที่เหลือเรียกว่าภาวนา คือคำว่าเห็นนั้นเหมือนกับว่าคําว่าเห็นเนี่ยสามารถใช้ได้กับหลายๆอย่าง น, นะเหมือนภาษาไทยเนี่ยนะอย่างสมมติคนที่คิดเรื่องอนาคตมากๆทําไมเขาใช้คําว่าวิสัยทัศน์คนนี้มีวิสัยทัศนกว้างไกลมากเงี้ยนะเขาจริงเขาไปเห็นไหมอันนี้คือผู้ตามขีดความสามารถนะนะตัวปัญญาก็เหมือนกันอันทัศนาอันนี้ซึ่งไม่ใช่จักขูวิญญาณนะจักขูวิญญาณก็ยังทัศนกิจ เพราะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องคำเฉยๆ <c oughs> นั้นทัศนะในแง่มรุกมรกคือทัศนะก็เรียกว่าอัตถะของอริยสัจแต่ถ้าล็อกมาเฉพาะมรุษสั์เลยโสดาปฏิมรุกเป็นที่เห็นบอกว่าเกิดมาเพิ่งเห็นนิพพานนี่แหละเนกันสำรวจทัศนะที่ใน เ จ, จอหรเ่าที่มีทัศนะแล้วหรือจงนั่ น, นะทัศนะแล้วโดยทั่วๆไปก็เนี่ยหมายถึงตัวทัศนะที่เป็นอัฏฐานนี้<บ>แต่ถ้าเป็นโสดาบันบุคคลนะถ้าบางสูตรต้องการชมพระโสดาบันเนี่ยจะใช้ทัศนะเนี่ย น, น, นะเนี่ยถ้าถ้าเป็นกลุ่มนี้นะจะชื่อของพระโสดาบันเนี่ยจะเป็นเป็นตรงนี้แทนไม่ใช่อัตฐะนี้ แตถ้าบอกว่าเรากล่าวความสิ้นอาสะวะของผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่นะรู้อะไรเห็นอะไรเห็นอริยสัจอันนี้หมายถึงทัศนธรรมถ้าท่าในสภาสะวะสังวรสูตรนะนะั้นเพราะนนั้พวกเกี่ยวกับเรื่องคำเนี่ยต้องต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าในคำพีเนี่ยต้องดูความแวดล้อมมันนะว่าพระองค์ประสงค์อะไรเพราะการเรียนหลักภาษาทั้งหมดในการใช้คำเนี่ยเขาถือว่าเอาความประสงค์ของผู้พูดเป็นประมาณ เขาจะไม่เอาคําเป็นประมาณนั่นะจริงในภาษาบาลีนะมันมีในอีกในหนึ่งก็เรียกว่าในคืออะไรจาไม่ได้คือหมายว่าไม่สับอย่างนี้แต่ขมายอีกเรื่องหนึ่งอนะ่ะอย่างนี้ก็มีนัยยะแบบนี้นะมี เรีกว่ากลุ่มนิรุตินเนี่ยนะกลุ่มนิรุตินเนี่ยถ้าว่าตรงๆไปแล้วก็คือตามใจของผู้พูดอะผู้พูดอยากได้อะไรเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์ะถ้านัยยะตามในของผู้พูดเนี่ยนะเขาจะไม่สนใจที่คำ ก็ไม่ไม่ไม่มองที่คำลนะภาษาไทยนะถ้าเราสังเกตเยอะๆนะถ้าไปตีเป็นคำๆไม่ได้เลยนะต้องโดยทั่วๆไปที่เราคุยกันรู้เรื่องส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเอาวัตถุประสงค์ของผู้พูดแต่ถ้ามาเรียงเป็นคำๆเลยจริงๆตามหลักภาษาเนี่ยนะใช่ไม่ได้ซะส่วนใหญ่ก็ที่อาจารย์ที่เป็นศาสตราจารย์ด้านภาษาเนี่ยนะก็เล่าว่าเขียนนี่ยังพอถูกอยู่แต่พูดนี่ไม่ได้ละ ถ้ากล่าวตามหลักจริงๆนะหลักภาษาไทยเนี่ยคนยุคนี้พูดไม่ถูกหลักแล้วบางทีแต่ว่าทำไมคุยกันรู้เรื่องเพราะรู้ความประสงค์พ้องกันเป็นเกณฑ์พระันมักจะแบ่งเป็นสมถะก็ได้นะวิปัสสนาก็ได้แบ่งเป็นสมถะวิปัสสนาก็ได้แบ่งเป็นทัศนากับภาวนาก็ได้ซึ่งจริงๆไม่มีการขัดกัน มรทุกมร ก, ก็คือสมถะกับวิปัสนาแต่ในบรรณามรเหล่านั้นเนี่ยนะมรชั้นแรกสมถาวิปัสนาแบบโสดาปฏิมรเป็นมรประเภทเห็นส่วนที่เหลือเป็นมรประเภทภาวนาทีนี้ทุกขสัตว์แบ่งออกเป็นสามอย่างเลยเป็นยังไงทุกขสัตว์แบ่งออกเป็นสามอย่างก็คือแบ่งอุปาติภพคือภพสาม กามาพบรูปประพบอรูปพบก็คือทุกขสัตว์เราะนั้นวัตตะในภูมิสามนี้เป็นทุกขสัตว์หมดเลยถ้าคำว่าอุปาติพบเน้นไปที่วิบากกับกรรมมชรูปเช่นวิบากกรรมมชรูปของอบายเหมือนกับถ้าถ้าเรา ถ, าถ้าถือเทนตรงเลยนะกามภพบกามพบะมนุษย์เทวดาเนี่ยนะถ้าถ้าเราไม่เอาวิบากกรรมมชรูปมานะมันคุยกันยากเหมือนกันนะว่า ในร่างกายของเรามันพบไหนกันแน่ใช่ไหมมันภูมิไหนกันกามาภูมิหรืออบบเออมนุษยภูมิหรือแบายภูมิกันแน่ <c oughs> เออมุ่งกันนะคุณทัพาเอาอะไรดีร่างกายเราเนี่ยเป็นทั้งสองอย่างเอ๊อไม่ได้ไม่ได้เป็นที่ละอย่าง <c oughs> ก็ถ้าค้น เ, เขาถือไปที่วิบากบ ก, บกรรมมาสรุปเป็นเกณฑ์ วิบากกรรมมาสรุปเช่นร่างกายของมนุษย์น่ะนะที่เป็นเซลล์อ่ะที่เป็นมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่านับเนื่องที่เป็นของมนุษย์อันนั้นแหละเป็นของมนุษย์ละมนุษยภูมิแต่ไอายที่เหลือไปแทรกแทรกอันนั้นคืออบายภูมิมันก็แยกๆกันนันเขาไม่เหมารวมหรอกคิดแบบภาษาธรรมะเนี่ยเขาจะไม่มองรวมเขาจะแยกพิจารณา